ลูกชายมีพัญญาซะมีลูกสะภ้ยก็คงจะมาดูแลบ้านให้ลูกชายก็ไปทำงานนอกบ้านก็คงจะสะดวกสบายขึ้นผู้แม่คิดอย่างนั้นเพื่งไนอะไรไปหาลูกสะภ้ยแล้วแต่งงานกับลูกชายต่อมาลูกสะพ้ายเนก็ดีพอมาต่อมาต่อมากะแม่ยากกับลูกสะพ้ายเป็น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 คุณจะเอาแม่แล้วคุณจะเอาฉันเหมือนกันเอ๊คุณจะเอาแม่แล้วคุณจะเอาฉันเหลยนะทั้งสามีเนี่ยก็อึ้ง<ม>แล้วเหมือนกันเถอแม่ก็แก่แล้วแฟนนี่ก็จะอยู่ด้วยกันนานก็ต้องเอาแฟนไว้ก่อนวะก็เลยสามีก็เลยบอกว่าจะให้ผมทํำยังไงยอดที่รักผมวันนีทั้งแฟนก็เสนอแน่ทันทีแล้วอ่ะ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 คนมีคุณธรรมนะเธอไปกินไม่ได้เธอถ้าเธอกินคนอย่างนี้เข้าไปเนะี่ยไม่รู้กี่พกกี่ชาติเธอจะต้องเป็นบาปเป็นกล้าอีกนานยหยุดไม่ต้องกินไปหากินอย่างอื่นไปเสือก็เลยถอยหลังไปแต่ยายนี่ไม่เห็นลูกข่าเทวดานเห็นแต่เสือเหมือนกนเถอะเสือกระโดดเข้ามาก็ใจหายใจคว่ำล้วมันจะมากิ น, งงนเอือนนะจากนั้นมันก็เลยล่าถอยไปเสือไม่มากิน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 มากันเลยเนะี่ยมาขายทองแล้วก็ซื้อบ้านสร้างบ้านได้รับความสุขความสบายไม่ไปใกล้ลูกสะภ้ายลูกชายเลยอย่างเงี้ยหนีออกจากบ้านมาเอ๊ะกัน เ, ล, เ ล, ลูกสะพ้ยกับ น, นั่นกันเลยเอ๊ะไม่ใช่แม่ของเราเหรอไปสอดสองดูงสอย่างเงี้ก็เลยไปสอดส่องดูอ่างเงี้ยเดินทางไปไปสบสืบสอบดูจริงไหมพ่อไปโอ้จริงจริงจริงว่ะ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 ใ ห, ให้ให้เธอเอาเอาฉันไปมัดใส่ต้นไม้เถอะนะป่านนี้คนว่าคนก็อยากรวยเหมือนแม่ผัวเหมือนกันเะแต่ได้เอา้าทีตรงไอ้ผู้ผัวน่ยก็อยากจะรวยเหมือนกันเหมือนกันไออยากจะรวยเหมือนกันลูกสะพ้ยเนี่ยอยากจะรวยเหมือนกันแต่ได้ก็ให้ผัวตัวเองไปมัดใส่ต้นไม้ป่านนะี้พอตกเย็นเย็นมาเสือมก็มาอีกเหมือนกันงพอเสือมมาขาวเนี่ยมันก็จะกำหม่อมอีก ลูกขาเทวดาก็ไปห้ามมาอีกยดเสือให้คาดทดสอบดูกเสกอนว่าเขามีคุณธรรมไหมถ้าเขาไม่มีคุณธรรมเออคอยว่ากันไอ้ข้าพระเทวดาเนี่ยคุ้มครองคนมีคุณธรรมแะคนไหนไม่มีศีลไม่ทำเทวดาไม่คุ้มครองเลยตีนี้ก็เอาขนนกเนี่ยเอาปีกนกนผนปีกนกแยงเข้าจมูกพอแยงเข้าจมูกลูกสะพ้เนี่ย หัดเฉยหายทองอยู่ไหน <laughs> แยงแยงเข้าจมูกอีกเลยหัดเฉยหาทองอยู่ไหน <laughs> พราะมันพราะในใจมีแต่คิดถึงหทองเหมือนกันเถอะพ่อแม่ผัวได้หายทองเนะี่ยแย่ที่ไรก็มีแต่ว่าคิดหาไหายทองเหมือนกันเลยลูกข้เทวดาเอ็นเอ้ยอันนี้มันยายนี่เป็นมันคนโลภนะวะคนไม่มีคุณธรรมมีแต่โลภอย่างเดียวนอ่ มันไปทางกิเลสมันโลภอย่างเดียวคิดค่าคนอื่นก็เพราะความโลภมาขนาดนี้มามัดไิดต้นไม้ขนาดนี้ก็ยังคิดความโลภอยากจะได้หายทองอีกออลูกขาดเทีโอดาก็เลยบุยปากเอาเสือกินได้อย่างนั้นบอกให้เสือกินได้เสือก็เลยกระโดดเข้ามากำหม่ำซะกินซะออพอกินเสร็จแล้วในทางสามีอยู่ในบ้านก็คิดแล้วว่าทาไม ทำไมแฟนของเราจึงไม่แบ ก, แบกไม่แบกหายทองหายเงินกลับมาบ้านมาจาจะได้ก็เลยไปดูดูพอไปดูเห็นต่โครงกระดูกว่างั้นเถอะเสือกินแล้วนั่นก็เลยหนุ่มวนนี้เลยเสียทั้งเมียเสียทั้งแม่ว่างั้นเถอะเมียก็ถูกเสือกินแม่ก็ห น, นีจากบ้านนี่แหละันิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปโลก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 ภูมิมะลูกขะเทวดาก็ไม่คุ้มครองคุ้มครองคนไม่ดีถ้าใครทําดีแล้วเทวดาคุ้มครองถึงจะได้รึไม่ได้เราก็สบายใจได้แล้วก็เออดีเป็นบุญวัตาสนาบา ร, รมีของเราที่ได้เราได้ทํามาได้เป็นเจ้านายของคนถ้าไม่ได้เอ อ, อเราคงไม่มีบุญวัตราสนาเราควรจะ ส, สร้างบา ร, รมีขึ้นมาอีก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 ร่างกายเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาแลือเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามาคราวนี้ให้ให้มาศึกษาให้มาศึกษาเรื่องของใจจะทํำยังไงใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้แต่ถ้าว่าพวกเรามาแล้วยังมาคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นอันนั้นแปลว่าผิดที่ผิดทางเหมืันนะไม่ได้มาทั้งที่พวกเราจะมาหาแก่นไม้กลับมาเอาใบไม้เหมือนน